เขาบอกถ้าจะฉลาดอย่าฉลาดอย่างวสการาพรามณ์พระพุทธเจ้ามีเวสารัชยานนะถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติแบบนี้มีโทษแก่ผู้ซ่องเสษแก่ผู้ปฏิบัติถ้าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะถ้าใครปฏิบัติไปซ่องเสษอย่างนั้นจะมีโทษไหมมีจริงพระพุทธเจ้ามีเวสารัชยานนะถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะสามารถเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การพ้นทุกข์ได้จริงถ้าปฏิบัติตามนั้นจะพ้นทุกข์ได้จริงๆด้วย ฉะนั้นในวัศกาลพามก็ไม่เชื่อก็เชื่อเชื่อไม่ว่าเป็นลิงเชื่อแต่คิดว่าไม่มีโทษเพราะเราเป็นหัวหน้าคิดว่ามีมีโทษและที่จริงจริงต่อมาอาจารยก็ตายพอตายไปเสร็จก็ไปเกิดเป็นลิงพอไปที่วัดเวรวันเวลาใครเรียกว่าวัศกาลพามก็จะโดดแพลงมาอยู่หน้าเลย <laughs> เป็นหัวประโชแล้วก็เดินให้เขาเห็นเลยนะโอ้โ oh, หอวดเลยนี่กูเป็นหัวหน้ายิงด้วยแล้วยังมีมานหน้าที่ถีนะอวดเลยนี โหน่ากลัวมากทิ่ทีน่ากลัวไหยน่ากลัวขออย่าให้เป็นแบบนั้นเนาะ <c oughs> อย่าฝืนอย่าฝืนพุทธพุทธพุทธยานใช่ไหมพุทธโอวาทบอกอย่างไรเดินตามจะปลอดภัยนะเดินตามจะปลอดยกรรมกามเมสุวิชาจาร์ฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้ถ้าเราดูดลูในข้อที่สามเนี่ยจะเห็นชัด ทีนี้การล่วงละเมิดนี่นะการล่วงละเมิดก็คือเกี่ยวในเรื่องของกาเมีเนี่ยเป็นคนมีศัตรูมากถ้ากรรมนั้นให้ผลเป็นคนที่เป็นที่เกียจชังของคนทุกจําพวกด้วยขัดสนนอนไม่หลับตื่นก็เป็นทุกข์เกิดเป็นหญิงหรือเป็นกระเทยเป็นคนขี้ระแวงเป็นคนมีภัยมากเออถามใครเป็นคนขี้ระแวงบ้างเนี่ยยังมีมีไหมเป็นคนขี้ระแวงไม่มีเนาะ แล้วใอยากเกิดเป็นผู้ชายไหมอยากเป็นอยากจริงว่ะอยากจริงเนะรู้ไหมเวลาจะเป็นผู้ชายเขาจเจริญกุศลอย่างไงเวลาเขาจะรักษาศีลเขาก็รักษาศีลอย่างมั่นคงฉะนั้นการจเจริญศีลกุศลมั่นคงโอกาสได้อัตภาพความเป็นชายมีนะนี่นะแต่ไม่ใช่หวังแค่ชายหวังเป็นชายแล้วจะได้อะไรจะได้บวชใช่ไหมล่ะ แม้แต่จะยุคต่อไปก็ลำ บ, บากด้วยอย่างรู้ถ้าเกิดมาถามว่าเราจะไปไปเข้าสํานักไหนเนี่ยแล้วใครจะสอนให้ย้อนต้อรวยถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเสี่ยงไหมอ่ะเสี่ยงไม่เสี่ยงถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในการต่อไปเนี่ยแค่ปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้จะเสี่ยงมึงไม่รู้จะเสี่ยงแค่ไหนแล้วเสี่ยงดิไม่รู้จะเสี่ยงยังไงแล้วฉะนั้นการมาเป็นมนุษย์เนี่ยเริ่มลําบากแล้วลําบากมากลำบากตอนที่เราจะได้ได้กัญญาณมิจากไหน ระได้กัลยาณมิจรหน่ยแล้วใครจะเป็นกริยาณมิตรถึงแท้จริงลองคิดดูที่เนี่ยกว่าจะอายุขนาดยอมสํารวยถึงจะได้มาฟังธรรมะเนี่ยลองคิดดูที่ใช่มั้ยไ mm hmm. หมลูโหน่ากลัวเนะชีวิตเนี่ย mm hmm. ถ้าให้กลับไปเหนื่อยใหม่เอา้า mm hmm. กลับไปเกิดเป็นแบบนี้อ่อไหม mm hmm. ถ้าเหตุปัจจัยมันยังมีที่จะต้องไปเป็นอีกหนีได้ไหมเออถ้าพูดอย่างนี้นะเ ด, เดี๋ยวเ๋ยวเล่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะจะได้รู้จักตำให้ชัดออาเล่าให้ฟังเลยแล้วก็เราจะได้รู้นะเล่าสรุปสรุปนี่นะเออ้เรื่องเกี่ยวกับในเรื่องศีลเรื่องพวกเนี้เนะี่ยมีพระรูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดนะในในครั้งะในอดีตเนี่ยทีนี้ ในขณะที่ท่านเป็นเจ้าวาดในรักษาศีลแล้วก็ปัดขฤ้นปฏิบัติแต่ยังเป็นบุรุษชนอยู่แต่เข่งคัดในศีลเข้่งคัดในพระธรรมวินยัยไม่เข่งคัดมาอยู่ต่อมาก็มีพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านลงมาจากป่ามาขอสายที่เนี่ยท่านก็ไม่ทราบใช่ไหมความธรรมดาบุรุษชนกับพระอรหันต์ท่านก็มองกันไม่ขาดอยู่แล้วก็ไม่รู้พอมาเบสเศรจ ก็มาเบีเสร็จก็คือมาขออยู่เพราะอยู่นั้นเบียดเสร็จแล้วก็ผลปรากฏว่าก็ต้องไปบินธาบาด้วยกันทีนี้พอไปบินฑบาตด้วยกันเบีเสร็จต่อมาเนยโยมที่มาเคารพนับถือเจ้าวาดอยู่เก่าแล้วก็เริ่มเห็นปฏิบาาัติภระรูปมาใหม่ก็เกิดศรัทธาเพราเกิดศรัทธาเบเสร็จโยมหลังจากใส่บาตรก็มาสนทนาเรื่อย เข้าพระที่เป็นเจ้าวาดอยู่เดิมเริ่มมีจิตคิดลามกแล้วไม่สบายใจเริ่มไม่สบายใจแล้วเอ๊ะญาติโยมที่เคยศรัทธาเราเนี่ยจะต้องไปศรัทธาอีกรูปหนึ่งแล้วเริ่มทุกข์ใจเริ่มคิดหนักยิ่งมาอย่างนี้เป็นอะไรเป็นสภาพจิตที่เป็นเห็นไหมตัวกุศลศีลเริ่มมีปัญหาแล้วคิดโกรธคิดลิษยา แล้วก็คิดห่วงห่วงตระกูลเป็นมัชริยาห่วงตระกูลอุปถากทีนี้ประการต่อเพราะอยู่ต่อมาพระรูปนั้นก็ไปทีนี้ก็ก็อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งถ้าท่านองค์ที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยก็มีจิตคิดว่าวันนี้เราจะต้องมีเราจะต้องพยายามกันแกล้งดีกว่า นะเราจะต้องกันแกล้งดีกว่าด้วยการที่ว่าออกไปบินธบาตเนี่ยแต่ท่านไม่แต่ท่านปกติต้องเคาะระฆังใช่ไหมแต่ท่านก็ใช้มืออไปเคาะใช้นิ้วมือเคาะเคาะเคาะเคาะเงี้ยเคาะจนให้เจ็บมือใช่ไหมถ้ามือเอาตัวตัวนิ้วไปตีระฆังมันจะดังไหมยอมเฉลยดังไหมไม่ดังมัก็ดังติ๊กติ๊กติ๊กพาท่านก็ไม่ทราบสิแล้วก็แกก็รีบไปท่านก็รีบไปบินธบาต พอไปไปเสร็จยอมก็ถามเออไร่อีกรอบนึงไม่มาหรือพระคุณเจ้านี่ถามว่าเออเอามาก็ตีละคังจนเจ็บมือนีเนี่ยอันนี้นี่ออกอุบายเลยเนี่ยตีจนเจ็บมือแล้วแต่แวบอกว่าขอละคังจนเจ็บมือเนี่ยสงสัยจะกินฉันอาหารอันปลานี้ที่ยอมเอาไปถวายเมื่อวานเนี่ยสงสัยนอนไม่ตื่นอันนี้ใส่ร้ายไหม ใส่ล้ายหรือไม่ใส่ล้า ย, ายอันนี้เห็นไหมตัวกูโซลศีนหายหมดได้ยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทีเนี้พนนดดยพูดเท็จ ด, ด้วยพูดเท็จด้วยใช่ไหมเป็นการพูดส่อเสียดด้วยนะเนี้ยพูดส่อเสียดเพื่อให้โยมมารักตนและให้เกลียดใครให้เกลียดใครอีกองหนึง่งโอมกลับไม่เป็นไปตามเกมที่พระวางไว้โยมบอกอ๋อสงสัยท่านป่วยอยากกันนั้นเลยงั้นโยม ขอฝากอาหารไปถวายท่านด้วยโอ้โหมือสั่นเลยรับอาหารมาเนี่ยเครียดไหมมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดเนี่ยรับอาหารมาเครียดเลยที เ, ยเดินมาคิดโอ้โหมะว่าทำไมเป็นอย่างนี้จะทํำยังไงเนี่ยเราจะต้องทําลายอาหารให้ได้เราจะต้องทําลายอาหารให้ได้เป็นอธทินาทานนะ เราจะต้องทําอาหารทําลายอาหารหได้ถ้าเราโยนลงไปเนี่ยในกองในกองฟืนตรงนี้เกิดสุนัขมากัดกินยอมเห็นเราสวยอีกโยนยอมจะไม่ศรัทธาเราอีกมองไปเรื่อยๆทิ้งลงที่ที่ไหนก็เดี๋ยวก็เกิดชาวบ้านมารู้ว่าเราเนี่ยเอาอาหารนี้มาทิ้งใช่ไหมเศษอาหารเกิดนกกินไม่หมดสัตว์ทั้งหลายกินไม่หมดเขามาเห็นขึ้นมาจะรู้เลยว่าเราเนี่ยไปทุศล้ายคีดไปเรื่อยๆหาคุณทางไปเจอกองไฟ พอใกล้จะถึงวัดนี่เขาจุดไฟโอ้โหชื่นใจเลยอะชื่นใจก็จับถามว่าเจตนาชั่วทั้งหลายเจตนาลาโมกทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเผาโรโดนจิตใจของภิกษุที่เป็นเจ้าวาดนั้นเรียบร้อยเลยพอกลับไปเเสร็จท่านฉันอาหารเบีเสร็จแล้วต่อมาท่านก็มานั่งคิดนึกในใจว่าเอ๊ะหรือท่านจะป่วยจริงๆเข้าใจไหมความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนะไม่ใช่ไม่มีนะแล้วจเจริญกุศลศีลมาทั้งชีวิตเนี่ย เออหรือท่านจะป่วยจริงๆอย่างที่ยอมพูดเนื้อเนี่ยพอดําบิอย่างนี้แล้วท่านก็รีบเดินเดินไปกุฏิพอไปเปิดไม่เห็นพระแล้วพระภิกษุรูปนั้นท่านเป็นอหาพระรหันไงพอท่านกําหนดลุโ hou พระรูปนี้คิดลามกกับกับเราซึ่งไม่ควรท่านก็ถ้าอยู่ต่อไปท่านรูปนี้จะลำบากยิ่งมากท่านก็เลยรีบหนีไปเลยขึ้นปาาเข้าป่าไปจากกรรมเหล่านั้นท่านก็เดือดร้อนใจพอตายไปแล้วไปตกนรกห้าร้อยชาติ นี่นะอาหารห่อเดียวเนี่ยนะคนจากนรกห้าร้อยชาติมามาเกิดเป็นสุนัขเนี่ยห้าร้อยในสี่ร้อยเก้าสิบเก้าชาติไม่เคยได้กินคา ไ, ไม่ได้ยินคำว่าอิ่มเลยเนี่ยพอชาติที่ห้าร้อยเนี่ยได้กินได้กินที่คนเมาเหล้าอ่ะมาอ้วกไอมาอ้วกอาหารเนี่ย ออกจากท้องแล้วได้กินที่เขาอ้วกแล้วอิ่มแล้วตายชาติที่ห้าร้อยหมดจากอัตภาพนั้นก็มาเกิดเป็นยักษ์อีกห้าร้อยชาติในสี่ร้อยเก้าสิบเก้าชาติไม่เคยได้ยินคําว่าอิ่มเลยนะโยมนะชาติที่ห้าร้อยความเป็นยักษ์ได้กินรกที่ที่เขาฝังรกเด็กเนี่ยเขาฝังในดินได้ไปคุยรกกินแล้วก็ตายไปต่อมาก็มาเกิดเป็นคอทานอีกห้าร้อยชาติพอชาติที่ห้าร้อยเนี่ยมาทันาศาสนาของพระชินเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ย แในชาติที่ห้าร้อยนี่นะแต่เกิดในตระกูลขอทานห้าร้อยตระกูลนี่นะเป็นหมู่บ้านใหญ่ห้าร้อยทั้งทั้งอำเภอนเนี่ยทั้งอำเภอเนะี่ในตระกูลห้าร้อยเนี่ยขอไม่ได้ทั้งตระกูลเลยเนี่ยบาปคนคนเดียวเนะี่ยมันไปเบียดเบียนบาปคนทั้งห้าร้อยตระกูลนะบรรดาพวกขอทานหงดหงิดมากเย่มันตั้งแต่ยินางคนผู้หญิงคนนี้ตั้งคันมาเนี่ยทําไมเราซวยขนาดนี้เริ่มคิดนะนะ เริ่มแยกๆนะเขาก็คัดออกพอคัดออกเอื้นขอได้โอ้คนคนเนี้สมัยก่อนเขาเรียกเป็นการะกีเนียเนี่ยพอไปอยู่คนเดียวเนี่ยแม่ขนาดอยู่ในท้องแม่เนี่ยแม่ขอไม่ได้เลยต้องไปหากินแถวเศร็อาหารแถวอ ย, ายว่างเยอะเยอะแถวแถวถไอ้นี่กินพอประทังไปได้ทีละเม็ดสองเม็ดเนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยฮ่าอะไรมาเลี้ยงลูกแทบไม่บกแต่ไม่ยอมตายเห็นไหมเนี่ยไม่ตายให้กา ร, ร ม, มันหล่อเลี้ยง ไม่ตายนะเข้านะเข้าพอเริ่มเดินได้ตกแตกตกแตกแม่ก็บอกลูกเอ้ยไปตามเวียนตามกรรมของเองเถอะไม่ไหวแล้วแม่ต้องหนีออกมาเลยพอเดินนะเด็กคนนี้ก็หาเศษอาหารกินไปตัวก็พร้อมเนาะนะเข้านะเข้าพอโตเจ็ดแปดขวบเรื่องต่างๆเนี่ยภาษารีบุตรมาเจอนี่เนี่ยเด็กคนนี้พอภาษาดีบุตรมาเห็นพวกภาษาดีบุตรเห็นอัธยาศัยทันทีก็ชวนบวชเนี่ย พอมาบวชเบเริดเนี่ยบินธบาตก็ไม่ได้แต่ต่อมานะได้บวชเป็นพระด้วยนะแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขนาดอารหรันต์ธรอรหัตมรักอรัตคุณเนี่ยเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตของท่านแล้วไอ้กรรมเกี่ยวกับเรื่องของอธินนาทานที่ทํากับพระอรหันต์ไปทําลาบสกาละของพระอรหันต์ในวิบัติเนี่ยมันเป็นลาบของสงฆ์ตนเองไม่เคยได้กินอิ่มเลยตั้งแต่เป็นมนุษย์มาไม่เคยกินอิ่มด้วยนะ บวชมาก็ไม่เคยได้อาหารนิดๆหน่อยๆสารพัดไม่เคยได้เลยมีอยู่วันหนึ่งจนท่านจะปรินิพานเนี่ยภาษาริบุตรไปเห็นตอนนั้นท่านก็ยุมากเลยนี่เงต้องคิดดูทั้งชีวิตท่านแต่ตอนนั้นท่านเป็นพระอรหันต์หน้าเป็นห่วงท่านไหมไม่ต้องห่วงแล้วใช่ไหมเพราะท่านจะตายแล้วไม่เกิดแล้วแต่ในวันที่ท่านจะปรินิพานภาษาริบุตรเป็นอาจารย์ก็ไปเห็นประชวนบอกว่างั้นให้ไปบิณฑบาตกับท่านเพราะภาษาลิบุตรเอกลาภเยอะไหม มีไหมว่าทั่วกรุงสาวะถีกรุงราชคกือที่คนจะไม่รู้จักภาษาริบุตรมีไหมไม่มีเลยวันนั้นน่ะเวลาพิกสุรูปนี้เดินตามหลังท่านไปเนี่ยไม่มีใครทักภาษาริบุตรเลยสักคาอาหารพลอยอดไปด้วยน่ากลัวกรรมไหมลแล้วแล้วต่อมาก็เลยให้บอกทั้งั้นท่านรอรอรออาจารย์อยู่ที่โรงฉันท่านก็ท่านก็ไปบินทบาท พอบินรบาดเบีเสร็จท่านก็ฉันเพราะฉันเบีดเสร็จท่านก็บอกว่ามีพระอีกรูปหนึ่งเ mm hmm. ดี๋ยวโยมเบอร์ทางท่านท่าน mm hmm. บอกเอองั้นเดี๋ยวฝากโยมจะเอาอาหารไปถวายโยมคนนี้ก็ถืออาหารเดิน mm hmm. เดินไป mm hmm. ใช่ไหมได้กรรมที่แรงขนาดหนักโยมคนนี้ลืมว่ากูถือมาทําไมจะไปเห็นกองไฟเนี่ยนะเอแล้วถือมาทําไมเนี่ยอาหารเนี่ยเฮ้ยหนักมืองั้นนะให้โยนดีกว่าโยนใส่กองไฟเ นละยอมเข้าไปต่อมาภาษาลิบุตรกลับมามาถามท่านท่านบอกอยังไม่ได้ฉนันอาหารภาษาลิบุตรต้องกลับไปบินทบาทใหม่ไปในวังเลยครั้งที่สองยิงก็แตกตื่นมาเนี่ยภาษาลิบุตรบินบะทบาทกลับมาเนี่ยเขาก็ให้เป็นข้าวต้มขึ้นเลยเพราะกลับมาไปเรสร็จภาษาลิบุตรก็มาพิจารณาโอ้โหกรรมท่านนี่รุนแรงมากที่แรกจะเทอาหารใส่บาตรท่านท่านก็พิจารณาลุานาคตเลยนะ ถ้าอาหารเทใส่บาตรปุ๊บอาหารจะหายไปเลยด้วยกรรมกรรมที่เอากุศลกรรมกําลังตามให้ผลท่านอยู่ภาษาริบุตรเล ย, เลยต้องใช้มือจับบาตรของตอนเองแล้วให้ท่านฉันท่านก็ตักอาหารฉัน น, น, นั่นแหละได้อิ่มมือสุดท้ายแล้วท่านก็ลาครูบาจารย์แล้วกับปรินิพานตอนนี้ท่านปรินิพานแล้วเข้าใจกรรมชั่วหรือ ย, อยังเนี่ย น, น่ากลัวไหม นี่กรรมดูครั้งเดียวแต่ทาไมรุนแรงขนาดนั้นทำไมรุนแรงขนาดนั้นนี่แหละนี่นี่ประมวนความคิดทั้งหลายล้วนมีโทษหมดที่ไปเบ็ทุสรายทำไมเราต้องเจริญกุศลศีลอันหาประมาณไม่ได้เรื่องเข้าใจยังว่าเป็นคุณโดยแท้แต่ถ้าไม่เจริญอย่างนี้มันจะเป็นโทษ ถ้าจเจริญเพียงเล็กๆน้อยๆ น, น่ะมันไม่เพียงพอหลอกกระแสชีวิตของเราที่จะพ้นจากอภัยภัยเนี่ยยากรามว่า yeah. น, น่าสงสารท่านไหมตอนนี้น่าสงสารใครแลตังเนคุณันใดที่เป <c oughs> ็นพระอรั์ฮะตังมีคุณันใดที่านมั้งเป็นพระอรั์อที่ท่านจเจริญศีลมา เจริญศีลเจริญสมาธิปัญญามาอย่างยาวไกลเอ้นั้นท่านมาฟังทำท่านมีวิชาคุณมาศีลกัจจารณะท่านบอกพ้องก็จริงอยู่นะศีลกัจจารณะบกพ้องแต่วิชาคือปัญญาท่านไม่บกพ้องเพราะท่านสั่งสมมาอย่างดีแล้วท่านมาเกิดทันพุทธเจ้าเลยถ้าท่านไม่เกิดทันพุทธเจ้านะเขาเจ๊งเหมือนกันเนะ่เนี่ยเพราะท่านทันพุทธเจ้าแล้วปัญญาที่ท่านสะสมมาฉะนั้นด้านปัญญาสำคัญไหมล่ะ ตรงนี้จึงต้องรีบสร้างปัญญาให้เยอะๆถ้าปัญญาคุณเนี่ยนะวิชาคุณเนี่ยเราสั่งสมาการสั่งสมปัญญาก็คือการให้ทานก็ดีต้องแยกแยะทานให้เป็นการเจริญศีลเจริญสมาธิและปัญญาก็แล้วแต่เนี่ยนะจะต้องทําปัญญาเกิดขึ้นในชั้นของเอามาวิจัยทานกุศลศีลกุศลในขณะที่เรากลับไปวิจัยชั้นทานกุศลเอาตัวปัญญาไปวิจัยชั้ น, นศีลกุศลอันนี้ใช่เป็นการเจริญปัญญาไหม ใช่หรือไม่ใช่ปัญญามันจะเกิดเองได้ไหมไม่ได้ต้องกระตุ้นให้เกิดไม่ใช่อยู่ๆแล้วปัญญามันวิ่งพวดเกิดเองโอ้ยถ้างั้นเอามาไม่ต้องไปทําอะไรหรอกสบายที่จะมาบวชมาใช่ไหมละ่ะรักษาศีลธรรมดาไม่ต้องไปวิจัยเรื่องศีลให้ทานธรรมดาไม่ต้องไปวิจัยอะไรจะเจริญสมาธิเดี๋ยวปัญญามวิ่งพวดมาใน ใ, นใจเองโอ้จะเป็นเงี้ยรออีกร้านชาตินั้นก็ไม่มาใช่ไหมละ่ะเพราะไม่ได้สร้างเหตุไม่ได้สร้างเหตุเข้าไว้ อีกข้อหนึ่งตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยาสาวกละมูสาวาดเว้นขาจากมูสาวาดชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ คั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ถ้าเราดูบุคคลที่เขาไม่ละมูสาวาสนะถ้าเขายังพูดมูสาวาเนะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะมีเวรภัยประเภทแรกก็คือเป็นคนพูดไม่ชัด ถ้าหากไม่เจริญกุศลศีลข้อนี้อย่างหาประมาณไม่ได้เป็นต้นเหานี้นะเจริญไม่ดีนี่นะถ้าไปผิดสิลสองมีฟันไม่สม่ำเสมอสามมีปากเหม็นกินปากแรงมากสี่ก็คือกายมีไอร้อนผิดปกติประการที่ห้าก็คือมีตาเหลือกโลนก็คือตาไม่ไม่สวยเลยทำไมต้องเหลือกเพราะคนจะโกหกคนเนี่ยในอดีตเนี่ยต้องทำตาแบบไหนต้องทาตาแบบไหนอ่ะ ถ้าไปพูดแบบธรรมดาแบบทำตาธรรมดาไม่ได้นะจะต้องทำท่าทางไหมโวยคนจะพูดกว่าจะได้เงินเข้ามาได้กว่าจะโกหกเขาไม่ได้กว่าจะพูดส่อเสียดได้เนี่ยนะต้องทำท่าทำทางเยอะคนเคยโกหกนี่ต้องมีท่าทางเยอะมากงั้นท่าทางที่ออกมาเวลาเป็นมนุษย์ก็จะไม่งามอัธยาสัยที่มันไม่งามมันเริ่มแต่ปัจจุบันน้พบแล้ว และอย่างหนึ่งก็คือมีวาจาอยากคายมีท่าทางไม่สง่างามพูดก็ไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าหากจเจริญกุศลศีลในข้อที่วัดเว้นจากการพูดเท็จแล้วความเป็นผู้มีอินทรีย์ผ่องใสเห็นไห ม, น, ม, น, ไ ม, มนีความเป็นผู้ไม่มีเวรความเป็นผู้ไม่มีภัยความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนจะทําให้อัตภาพตนเองเนี่ยความเป็นผู้มีปกติพูดด้วยคําสละสลวยและอ่อนหวานเป็นคนพูดจาน่ารักมากพูดจ า, าอ่อนหวานมากความเป็นผู้มีฟันเรียบ สม่ำเสมอทั้งขาวทั้งสะอาดด้วยแล้วเป็นผู้ที่ไม่อ้วนเกินไปไม่อ้วนเกินเกินเลยเนี่ยทำไมทําไมการอ้วนเกินไปเป็นเหตุแห่งการเป็นผลของการถ้าไม่ล้วงไม่ล่วงแล้วเมืิดสิขาบทข้อนี้ทําไมไปไปกระทบเกี่ยวกับในเรื่องของรู ป, ปกายด้วยคนโกหกเนี่ยเวลามีคนก็บอกนะสมมุติไปเจอคนที่เข้าสวยนะสมมติถ้า ยอมสํารวยไปเจอคนคนหนึ่งหน้าตาดีมากแล้วมีอีกคนหนึ่งมาถามย อ, ยอมสํารวยเออเมื่อวานนี้ที่ยอมสํารวยหรือคุณสํารวยไปดูหรือแม่สํารวยไปดูเนี่ยคนคนนั้นเน่ะหน้าตาก็าเป็นยังไงโอ้โ oh, หอ้วนมากนี่พวกโกหกไงเขาสวยไปบอกเขาอ้วนหรือเขาเขาอ้วนไปบอกเขาผอมอย่างเงี่ยนะไออัตย์วัตยาสายที่เราไปโกหกมาเนี่ยเลยกลายเป็นคนมีลักษณะอ้วน ไปพูดเกินจริงวิธีพูดนี่นะพูดคําเท็จเนี่ ย, ด, ด, ยดูซิเนี่ยคําพูดแท้แต่มาแต่งรูปกายทำให้หน้ไม่น่าเกลียดซะนี่เนี่ยประการต่อมาก็คือความเป็นผู้ไม่ผอมยินเกินไปบางคนเนี่ยเขาเขาอ้วนเขาเขาเขารูปร่างดีๆก็บอกอ้วนเกินไปใช่ไหมทั้งๆที่ร่างกายเขากําลังกระทัดรัดก็บอกผอมเกินไปนะ ที่ร่างกายของพี่เขาได้สัดส่วนความงดงามเนี่ยดำเกินไปเตี้ยเกินไป <c ười> คือเป็นคนที่พูดไม่จริงไอ้ผลของการพูดไม่จริงเนี่ยสิ่งต่างๆ เ, าาเหล่านั้นเวลามากรำเหล่านั้นมาให้ผลทําให้รู ป, ปรกาย ต, ตัวเองเป็นไงอ้วนเกินไปบ้างผอมเกินไปบ้างดําเกินไปบ้างเออถ้าเราจะมาอ้วนเกินไปผอมเกินไปนี่ปแปลว่าเป็นผลแน่ดีด เราจะยอมจำนวนไหมต่อไปก็คือจะไม่ยอมพูดเท็จอีกแล้วเพราะเบียดเวียนตัวเองนี่สูงเกินไปแล้วบางทีการที่เราพูดพอ้คนคนเนี้บอกว่าเนี่ยเองจะไปอยากอยู่ใกล้นะเนี่ยไปถูกคนลักษณะนี้สัมผัสจะไปถูกแล้วเป็นทุกข์การประเภทนี้ไปโกหกเขาางนี้นะนักเข้านัาเข้าเรากลายเป็นคนที่มีสัมผัสที่เป็นทุกข์ เวลาใครมาถูกสัมผัดแล้วเขาไม่อยากอยู่ใกล้เลยเนียอยู่ใกล้ๆเขาก็เดือดร้อนเป็นคนที่มีกลิ่นปากหอมรการพูดดีเนี่ยส่งผลทาให้สุขภาพปากและฟันดีเนะเป็นผู้มีบริษัทเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาสเอาลองสังเกตตัวทีถ้าเราถ้าหากกุศลประเภทข้อ น, นี้มาดีนี่นะเราเนี่ยเวลาไป บริษัทธบริวารเนี่ยแล้วพูดให้คนฟังแล้วเขาเชื่อเราดีไหมถ้ามีลูกศิษย์มีลูกมีหลานมีพ่อมีสามีบอกแล้วเขาเชื่อถือไหมโอยพูดพูดแล้วตั้งอยู่ในโอวาสนี่ถือว่าใช้ได้นะี่แสดงว่าผลของมูสาววาสไม่เจริญสินก้อนนี้เลยแล้วมีลิ้นอ่อนแดงแล้วก็บางเหมือนกลีบดองของบน ต้องไปแบลบลิ้นดูนะว่าอ่อนไหมแดงไหมบางไหมเหมือนกลีบอยบนไหมเพราะจะพูดชัดไงคนที่ทํากรรมที่เจริญศีลข้อนี้มาดีเป็นคนที่พูดพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเพลาะมากพูดเพลาะมากแล้วพูดเร็วแล้วพูดเร็วขนาดไหนเนี่ยนะเราเนี่ยพอ ด, ดีมาจําไม่ได้กี่คําเราเนี่ยพูดได้ คำหนึ่งเนี่ยถ้าพระนร น, น่าจะพูดได้ไม่ตม่ำกว่าหกสิบเจ็ดสิบคำถ้าพระพุทธเจ้าน่าจะมากกว่านั้นอันนี้มาจําจําข้อมูลตรงนี้คาดเคลื่อนนิดเดีฉะนั้นคนที่ทํากรรมเกี่ยวในเรื่องของงดเว้นจากมูสาววาดมาอย่างแข็งแรงเนี่ยหูยจะแต่งปากแต่งลิ้นในงดงามมากเวลาพระพุทธเจ้ากล่าวพระธรรมนี่ไพเราะมากก็ ค, คิดดูว่าเสียงนกกาลาเวกเนี่ยเวลาเสียงเสียงนกกาละเวกเนี่ย เวลาฟังแล้วเนี่ยมีความไพลระมากไพลระขนาดไหนเวลาเสือวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ ง, งไปเวลาจะตะปกไอตัวกวางนี่นะถ้านกกระเวกมันร้องขึ้นในขนาดนั้นนะขนาดกวางอยู่ในปากนีเสือลืมเลยนะเสือนี่ลืมเลยว่าตนนัวนี้ตอนนี้ตนเองกําลังจะกินกวางกวางก็ลืมเนี่ยตนเองกําลังนอนอยู่บนปากเสือด้วยความไพเระของนกกละเวกเสียงของพระบรมศาสดาวเวลากลาวว่าวพระธรรมเนี่ยไพลระยิ่งกว่านั้น นี่พระสุรเสียงอย่างนี้พระเอินเนี่ยนะเราไม่ได้ยินฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าสัตว์โลกฟังแล้วจึงบรรลุแทงตลอดสัจจะเนี่ยทําไมพระเจ้าจึงมีอย่างนี้เพราะกรรมเกี่ยวกับลราไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อพระองค์บําเพ็ญมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏฉะนั้นอัาถรพาทั้งหลายเนี่ยกรรมเป็นตัวแต่งจะแปลกใจนะอย่าแปลกใ จ, นะกใจถ้าตัว กุศ ล, ลกรรมแข็งแรงและนวลแต่งและปัจจุบันเนี่ยถ้าเจริญในปัจจุบันเนี่ยทําให้ปัจจุบันคล่องด้วยนะเนี่ยลองพูดคําสัตว์คําจริงในปัจจุบันบ่อยๆน ะ, จะเจรเินกุศลเอาคําพูดมากลา่าวพระธรรมไม่โกรธไม่คิดลิสยาไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ปองร้าย ใ, ใครเนี่ยพูดจาได้เป็นไปกับเมตตาด้วยกรุณาหรือมุทิตาเนี่ยเข้าเนะเข้าปัจจุบันกรรมก็ยังทําให้เสียงเพ่อเลยเหรอใช่ไหมล่ะน่าจเจริญไหม ประการต่อมาอริยสาวกอีกประการหนึ่งอริยสาวกเนี่ยละการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทงดเว้นจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมลัยมีที่ตั้งความประมาทดูก่อนพิกษาทั้งหลายอริยสาวกที่งดเว้นจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วจึงชื่อว่าให้ความไม่มีภัย ให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมีได้ถามว่าการงดเว้นจากการดื่มสุลาเนี่ยเป็นการให้ความปลอดภัยแกสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทเลยนะเมื่อสติสัมปชัญญะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงและตั้งมั่นแล้วสัตว์เหล่านั้นก็จะไม่ละเมิดศิกขาบทข้อที่หนึ่งใช่ไหมล่ะ ก็คือจะไม่ฆ่าจะไม่รักจะไม่ประพฤติผิดในการมจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดส่อเสียดจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดเพือเจอือเพราะการดื่มสุการงดเว้นจากการดื่มสุราละเมียร์ลายมีที่ตั้งความประมาทเพราะเมื่อดื่มเข้าไปแล้วสติไงสติจะถูกทําลายเพราะความมึนนั่นแหละ ทนี้อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณนี้ได้ขั้นให้ความไม่มีภัย ค, ความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมีได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นผู้ไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณนี้ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานห้าประการนี้เป็นมหาทาน จากทานธรรมดานี่ถ้าเป็นกุศลศีลเขาเรียกมหาทานมหาทานนยิ่งใหญ่กว่าทานธรรมดาไหมเพราะเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตนั่นข้อแรกให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินนี่ข้อที่สองให้ไหมชื่อว่าให้ไหมให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาสามีของบุคคลอื่นให้ความไม่แตกแยกแล้วก็ให้ความสัตย์คําจริงให้ความไม่แตกแยกให้คําสมัครสมานสามัคคีให้วาจาอ่อนหวานให้อะไรอีก ให้สิ่งคำพูดที่เป็นอัตตาเป็นธรรมะถูกการถูกเวลาและก็ให้ให้สติสัมปชัญญะให้ความไม่ประมาทไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเองอันเป็นที่ตั้งเหตุความประมาทชื่อว่าเป็นการให้ความปลอดภัยในสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทเลยเพราะความมีสติสัมปชัญญะก็สามารถที่จะลึกในศีลข้อที่ หนึ่งสองสาสีห้าได้แล้วการ ล, ลึกในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อความไม่โลภความไม่โกรธและการมีปัญญาทั้งหลายเหล่านี้มาจากการมีสติสัมปชัญญะ พุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานมหาทานบัณฑิตรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายเป็นของเก่าที่ไม่ถูกทอดทิ้งไม่เคยถูกทอดทิ้งงานบัณฑิตไม่ทอดทิ้งและจักไม่ทอดทิ้งอันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินิจญูชนไม่คัดค้านดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่แปดนำสุขมาให้ ให้อารมณ์มันเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใช่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขดูก่องพิสูจทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลแปดประการนะข้อที่หนึ่งคือการถึงพระรัตนตรัยว่าใช่ไหมเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้อย่างแท้จริงถึงพระพุทธเจ้าหนึ่งถึงพระธรรมอีกเป็นสองถึงพระสงฆ์เป็นสามศีลอีกห้าข้อเลยกลายเป็นแปด การเป็นห่วงบนห่วงกุศลแปประการนี้นำสุขมาให้นำอารมณ์อันเลิศเวลาใกล้จะตายมีอารมณ์เป็นเลิศแม้ในปัจจุบันก็มีอารมณ์เป็นเลิศตลอดเวลาเลยเนะอารมณ์ที่ประเสริฐด้วยมีสุขเป็นผลด้วยเป็นไปเพื่อสวรรค์ด้วยถ้ายังไม่พ้นจากวัาแตทุกขเป็นไปเพื่อสวรรค์นะเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไถ่หน้าพอใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลประโยชน์มิจกียามิกียา หนิดฐ่ายทำใกิตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันก็มีความสุขสองสัมปรายิกาถะประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าก็เป็นไปเพื่อสุขสมานัทสามปรมาถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือการสิ้นทุกข์คือพันิพานเห็นไหมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลพระเจ้ากระตัสไว้ในกรณีอย่างนี้ทีนี้ประเด็นที่ต้องดูก็คือว่าถ้างดเว้นจากการดื่มสุราและเมรายความเป็นผู้ไม่ประมาทในกิจการกรณียกิจทั้งหลายทั้งอดีตนาคนและปัจจุบัน ผลนะจากการไม่เสพของมึนถ้าถามจริงที่นั่งใครเคยดื่มของใครเคยเอาของมึนเมาใส่ใส่ร่างกายไหมบ้างในชีวิตที่ผ่านมาเคยดื่มเหล้าไหมเคยอ๋อไม่เคยดื่มกันเลยเลยเคยไหมอ๋อเคยดื่มถามเวลาดื่มเนี่ยเจตนาตอนนั้นคิดยังไงรู้ไหมคิดต้องการให้ตนเองมึนนั่นแหละก็คือคิดให้คิดให้ปัญญาดับ ไอเจตนาที่คิดให้ปัญญาดับนั่นแหละเป็นเจตนากลมจะให้ผลในปัจจุบันนี้ด้วยและให้ผลในการต่อไปด้วยเห็นไหมการคิดให้มึนถามว่าเ็ากินเหล้ากันทำไมก็ต้องการให้มึนเห็นไหมละ่ะถ้ากินแล้วมันเป็นน้ำก็จะกินกันไหมไม่กินแล้วก็กินต้องการให้มึนไอ้มึนก็คือเป็นเรื่องของปัญญามันไม่ทำงานปัญญามไม่ทางานทีนี้เป็นผู้มีสติปรากฏทุกเมื่อ เห็นไหมกรรมเหล่านั้นจะเป็นคนที่มีสติค่อนข้างเร็วมากเร็วแล้วเร็วว่วองไวมากดังนั้นในปัจจุบันนี้เราเป็นคนที่มีสติไม่ค่อยแข็งแรงนะแปลว่าผลของกรรมข้อ น, นี้มันยังมีกําลังอยู่นะความเป็นผู้มีปฏิพาน์เกิดทุกสถานะมีกิจและกรณี ย, ยกิจไปเกิดแล้วเป็นคนไม่เกียรติค้านถามว่าคนที่มีสติตื่นอยู่ต ร, ราาุษจีาเป็นคนขยันไหมขยนันเป็นคนไม่เป็นคนเฉลาย แล้วก็ความเป็นผู้ไม่เป็นบ้าไม่บ้าใบความเป็นผู้ไม่หวาดสะดุ้งความเป็นผู้มีกามีการไม่มีการแข่งดีไม่มีริษยาไม่จะนีด้วยแล้วก็กล่าวแต่คาสัตว์เป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาดไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็เป็นผูคนอักตันยูความเป็นผู้มีกระตาเวทีด้วยมีโภค้ามากเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะซื่อตรงเป็นคนไม่โกรธมีรีอตปะเป็นต้นเอะไรเนี่ยนะแต่ถ้าล่วงละเมิดล่ะที่ โรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยใครๆไปไหมเยอะมากทุกวันถ้าไปเราจะเห็นเนี่ยอันนี้กรรมที่เกี่ยวกับในเรื่องของของมึนเมาบางคนก็ทําปัจจุบันนี้ด้วยบางคนก็มาจากกรรมในอดีตนะก็แล้วก็บางคนนะเด็กบางคนเกิดมาตั้งแต่กเกิดเออเราเคยไปตามงานวัดไหมที่เป็นเด็กหัวโตๆตามงานวัดนีก็เรียกเด็กปัญญาอ่อน ดูที่เวลากรรมนั้นให้ผลมาเป็นมนุษย์กับเขาเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอบายอย่างหนึ่งนะโยมเป็นความเสื่อมอย่างหนึ่งสนะักดิ์เทวเป็นมนุษย์กับเขานะเกียดค้านนะไม่มีสติเป็นคนเงอะ ง, งะจะเงอะ ง, งะจะดูผิดปกติไปแล้วปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็ประมาทเลื่อเป็นคนตรหนีไม่มีคุณธรรมเป็นเหตุทําให้ทำกรรมชั่วอื่นได้ง่ายด้วยตรงนี้ให้เห็นว่า ในชั้นของห่วงบุญห่วงกุศลตรงนี้เชื่อมโยงให้เห็นว่าทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เหลือเราจะเจริญกุศลศีลให้เกิ ด, ดยางไรอันนี้กล่าวแบบหลักฐานข้อมูลนะ